ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รมพระโพธิญาณในวันนี้จะพูดถึงเรื่องความฝันครั้งสำคัญก่อนการสัรู้ของพระโพธิสัตว์ต่อไปในข้อที่สองนั้นทรงสุบินว่าทรงขวัญว่านะฮะญาคาบางทีเราก็ปาแปลยากแพรกนะฮะก็ไม่รู้ยังไงอะแต่จริงๆแล้วก็ แม่แต่ยญาคาที่เราแปลกันปัจจุบันเนี่ยที่ว่าโสตยภามถวายญาคาแปดกรรมแก่พระพุทธเจ้าเนี่ยอินเดียเขาเรียกกุษะเป็นญากุษะเป็นหญ้าที่ไม่คันแล้วก็ใบใหญ่มีกลิ่นค่อนไปทางหอมเป็นหญ้าที่ถือว่าเป็นสิริมงคลแต่ส่วนมากเราแปลเป็นหญาคาเพราะบ้านเรามไม่มีนะ ลักษณะมันคล้ายแต่นั่นเดงแต่ก็ไม่ใช่ยาคาเขาทับไปเป็นยากุสะตัวนี้ก็เหมือนกันแปลว่ายาคาบ้างนะฮะแปลว่ายาแพรกบ้างแต่ถ้านึกดูแล้วเนี่ยมันน่าจะเป็นยาขานะเพราะยาแพรกมันเป็นญยาเตี้ยๆนะมันไม่สูงอะไรงอกขึ้นจากสะดือขึ้นสูงจุดฟ้าภิกษุทั้งหลาย นี้เป็นสุบินนิมิตข้อที่สองได้มีแล้วแก่ตถาคตผู้ราหันตสมาสมพุทิเจ้าครั้งเมื่อก่อนแต่การสัจสรู้ยังไม่ได้สัจสรู้ยังเป็นประโพธิสัตว์อย่าลืมว่าคําว่าตถาคดราหันตสมาสมพุทธเจ้านั้นเป็นการเรียกเมื่อสัจสรู้แล้วแต่ว่าสุบินนิมิตนั้นเกิดขึ้นตอนที่เป็นประโพธิสัตว์ยังไม่ได้สัจสรู้แล้วก็ทรงพยากรณ์เองนะฮะว่า ข้อว่ายาคางอกจากสะดือขึ้นสูงจอดฟ้าเป็นหมหาสบินข้อที่สองเพื่อรู้ว่าตถาคตรานตสมาสพุทธเจ้าได้สัสรูพร้อมเฉพาะซึ่งอัังกิกามักแล้วประกาศเพียงไรแกมนุษย์และเทวดาองค์เล็บขึ้นไปถึงพรมอันนี้ก็เป็นการแสดงถึงว่าพระองค์จะได้สัจจรูและสิ่งที่ข้อแรกเนี่ยว่ า, วาพระองค์จะได้สัจรู เระที่สอนคือตัวเหตุที่ทําให้พระองค์ได้ศัสรุซึ่งอาริยมัตมีองค์แปดประการแล้วก็ประกาศแพร่กระจายออกไปเหมือนกับย่าคาที่สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้ น, นจนจะหดพรมโลกประคําสอนของพระองค์จะแผ่ไปคล้ายๆกับยาคาที่มันแผ่ไปขึ้นเบื้องสูงนะฮะแล้วก็แผ่ไปทั้งเบื้อง เบื้องต่ําเบื้องขวางทั้งหลายก็แผ่ไปในทิศทั้งพวงประเด็นสําคัญของธรรมะที่เป็นส่วนเหตุคือกุศลธรรมที่เป็นส่วนเหตุทั้งหมด น, นนะฮะไม่ว่าเราจะพูดอะไรก็ตามเราจะเห็นว่าจะมาสรุปรวมอยู่ที่อะเรมักไปองแปดประกาศอะเรมักไปองแปดประการเองก็มาสรุปรวมอยู่ที่ไใจสิกขาแล้วก็ใจสิกขาดาั่นแหละก็คือ การไม่ทำบาปทั้งปวงการดำกุศลให้สมบูรณ์การด ำ, ำจิตแต่ของแผ้วตรงนี้จะต้องจับประเด็นว่าคือปริยายเทศนาแต่ว่าอย่าลืมว่าพูดเรื่องการศัสรูอริยสัจแต่บางอย่างเนี่ยบางคราวเนี่ยเราจะพบว่าส่งแสดงรู้อสวะเหตุเกิดอสาาวะความดับอสวะและข้อปฏิบัติให้ถึงเ่งความดับอสวะก็เป็นปริยายของธรรมะก็เหมือนกันนะ ก็คงอยู่ที่ตัวอริยมรรคทีนี้อริยมรรคที่สำคัญก็อยากจะมาสรุปตัวนี้นิดหน่อยนะฮะว่าปัญหาใหญ่ในปัจจุบันที่น่าเป็นห่วงคือจากการสำรวจของแต่ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งทานอ้างว่าท่านสำรวจสอบถามพระภิกษุสามเณรนะฮะถึงเรื่องความเชื่อในกฎของกรรมและก็สังสารวัฏ พระภิกษุ ส, ส้มเดรรุ่นใหม่คือเด็กรุ่นใหม่นะจะไม่ค่อยเชื่อท่านบอกว่าไม่เชื่อถึงเจ็ดสิบสองเปอร์เซ็นแต่ว่าเราก็ไม่รู้ไปทั้งหมดที่ไหนนะสมุิกับใครมาก็ไม่แน่ถึ่เป็นปัญหาที่น่าห่วงเพราะตรงนี้คือเป็นมิจฉาทิฏฐิเลยนะพระเจ้าได้เคยเสด็จไปที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งชื่อมาาซาลาอยู่ในแคนกศนชนบทเนี่ย แล้วก็มีคนมาเข้าเฝ้ากันเป็นจํานวนมากก็รับสั่งถามว่าท่านเหล่านั้นเนี่ยนับถือใครเป็นศาสดาหรือชอบใจคําองธรรมะของใครนับถือใครเป็นศาสดาแล้วหรือยังคนเหล่านั้นบอกก็ยังกยังไม่เคารพนับถือใครเป็นศาสดาพระเจ้ารับสั่งว่าไม่เป็นไรหรอกจะนับถือหรือไม่นับถือแต่อย่าปฏิบัติให้ผิดก็แล้วกัน แราในสุดก็ส่งแสดงเขาเรียกว่าอปันนกะปฏิบัติทาคือข้อปฏิบัติไม่ผิดเนี่ยสามข้อนะฮะแต่เราจะเอาข้อเดียวข้อที่ถือว่าน่าห่วงเพราะว่าสังคมพุทธเราในเควงแล้วก็ลองสังเกตมีคราวหนึ่งที่อาตมาอย่างที่ชริงกั น, นานแล้วแต่สะทกสะท้อนใจนะว่าเป็นเรื่องที่น่ากลัวคือเราไปทำหลักสูตรลุมวิชาการ ก็หมอตอนนั้นหมอสี่หมอห้าหมอห้าอยู่ในชั้นหมอห้านะก็มีการเสนอก็น่าจะกล่าวชื่อเขาไว้ในที่นี้ชื่อดรเดนเย็นใจลาหวันิตก็มีอาจารย์สุ ม, มลอ ม, มวิวัฒน์เป็นประธานจะมีการเสนอให้สอนเรื่องกฎแห่งกรรมกับสังสารวัติ มีอาจารย์จากมาวิทยาลหงหนึ่งเป็นสุภาพจัดตรีนะทั้งคานอยู่ตั้งสามวันต่ามาก็ไม่ได้ไปประชุมต่วันต่อมาก็ได้ไปประชุมท่านประธานก็สรุปประเด็นต่งางๆที่ผ่านมาให้ฟังนะแล้วก็เล่าถึงประเด็นที่มีปัญหาก็ไม่อยากจะพูดหรอกแต่มันเราก็รู้สึกมันมันสลดใจ พระเอ๋ทำไมคนมาขัดขวางพระญาณของพระพุทธเจ้าล่ะตอนนี้มันเป็นความรู้ระดับญาณ น, นะฮะเรื่องกา ร, รเรื่องสังสารวัฏไม่ใช่ความรู้ระดับคิดเอาระดับฝันเอาระดับจินตนาการเอา ร, อระดับเข้าใจว่าผมเข้าใจว่าผมเชื่อว่าผมสันนิษฐานว่าผมมีความเห็นว่าหรือแม้แต่จะอ้างคำลังบังข่าอะไรเนี่ยแล้วเราจะเห็นว่ากลุ่มเหล่าเนี้ยเป็นกลุ่มใหญ่มากนะ ที่เชื่อออกมาในแนวนี้มีลักษณะเป็นอุเชตทิฏฐิที่ชัดเจนนะอุเชิทิฏฐิทีท่ชัดเจนแน่นอนก็สอนศีลธรรมแต่การจะปฏิเสธกรรมทางสารวัตรมันจะทำให้ขาดแรงผลักนันมันจะตัดตอนเอาแค่ชีวิตก็จบลงที่ตายนะฮะเป็นนิเป็นเป็นอุเชติทิฏฐิคือจบลงที่ตายจา่นั้นเองแล้วผลโดยท้ายมันก็ตั้งคาตามมาบวชทำอะไรรักษาศีลทาอะไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือศีลแปดรักษาทํำอะไรศีลห้าเนี่ยพอเห็นนะฮะศีลแปรักษาทําอะไรเพราะเป็นศีลพรหมจรรย์กินข้าวเย็นทําไมไปอดข้าวเย็นทําไมเปียดดูการการคพ้อนรำขับร้องประโคมดนตรีดีสีที่เป่าทําไมเป็นงดเว้นนอนเมือนที่นอนสูงใหญ่ทําอะไรเพราะว่านั้นในแง่ของศีลแล้วเนี่ยในแง่ของธรรมะแล้วเนี่ยทําให้จิตมันเกิดราคะเกิดโลภเกิดโมหะขึ้น ก็เป็นการบิบัดขัดเกลาจิตใจให้มีความสงบสะอาดขึ้นไปโดยลาดับเพราะในะความเชื่อเรื่องนั้นเนี้ที่จริงเป็นเรื่องใหญ่มาแล้วเป็นเรื่องที่น่ากลัวแต่ว่าอาจารย์คนนั้นเราก็น่าสงสารท่านนานะก็ว่าท่า น, านา ก, าก็เป็นสุภาพสตรีก็ไม่เคยผ่านการบทเรียนอะไรมาก็อ่านหนังสือสดมากก็แล้วแต่จะปักใจฝังใจในหนังสือของใคร มาก็ถามว่าแล้วก็มีเหตุผลอะไรไม่ทราบที่ไม่ให้บรรจุไว้เนี่ยท่านก็บอกว่าเวลาเนี้ยมีความคิดอยู่สองกระแสถามว่ากระแสอะไรบ้างก็บอกว่ากระแสเก่ากระแสใหม่ถามว่าเก่ามันคืออะไรใหม่มันคืออะไรทีนี้แกก็งงอ่ะนะบอกว่ากระแสเก่าหมายถึงที่สอนสืบๆกันมาใช่ไหมแกก็บอกว่าใช่ กระแสใหม่นะ่ะของใครล่ะเราก็อ้างอ้างท่านพุทธทาสอ่ะนะบอกว่าเอมันต้องคิดใหม่นะอาจารย์นะวัลลักสูตรตัวนี้กืหลักสูตรพระพุทธศาสนาวิชาพระพุทธศาสนาเราก็ต้องมองกลับไปว่าพระพุทธศาสนาะนั้นใครเป็นศาสดาพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาหรือหลวงพ่อพุทธทาสเป็นศาสดา อาตมาเข้าใจว่าหลวงพ่อพุทธทาสเป็นภิกษุในพระพุทธศาสนารูปหนึ่งนะตอนนั้นเองเนะ่ยปัญหาที่เราจะต้องทําก็คือว่าเรื่องเนี้พระเจ้าสอนว่าอย่างไงแล้วเราก็เขียนไปอย่างนั้นเราไม่ต้องรับผิดชอบอันนั้นมันเรื่องความรู้ระดับสัพพัญญตญาณเราไปรับผิดชอบได้ไงเราไปรู้ได้อย่างไงแต่ปัญหาว่าการบรรจุไว้เนี่ยไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไร มันมีแต่คุณโดยประการทั้งปวงไม่มีโทษอะไรเลยนะฮะการเชื่อเรื่องกฎของกรรมเชื่อสังสารวัตรไม่มีโทษอะไรเลยเพราะอะไรที่จริงพระเจ้าก็ทรงแสดงไว้ในกาลามาสูตรนะอันนี้ก็คือข้อที่น่าน้อยใจประการหนึ่งว่าชาวพุทธเราโดยเฉพาะคือว่าชาวชาวบ้านเนี่ยมาไม่ค่อยโทษอะไรหรอกคือเขาไม่มีเวลาไปอ่าน เขาไม่มีเวลาทุ่มเทลงไปเพื่อศึกษาพระบาลีพุทธวจนะแต่พระนี่ควรจะศึกษาใะบ้างไม่ใช่พูดเป็นปากหอยปากปูไปเรื่อยๆมันต้องดูใชบ้างว่าตรงเนี้ยพระเจ้าสอนว่ายังไงแล้วก็อ่านให้ตลอดแล้วอย่าอ่านข้อเดียวนะฮะอย่าอ่านข้อเดียวเพราะว่าเทศสอนนี่ยเป็นปริยายเทศนาไม่ใช่เอามาสอนหมดทีเดียวแต่ว่าสอนตามพื้นฐานของผู้ฟังในขณะนั้นๆ นิติการของพุทธจานะท่านสอนตาพื้นฐานของผู้ฟังในขณะนั้นๆไม่ใช่ว่ามีเท่าไหร่ก็มาสอนหมดคนฟังมารับไม่ไหวหรอกทรงวางเป็นรูปของความอุ่นใจพูดเป็นไทยโดยสรุปนะเพราะถ้าเรามีจุดยืนในที่การกระทำความดีแล้วก็ตีต่างว่านะผลบุญผลบาปไม่มีนรกสวรรค์ไม่มี เราก็อยู่ดีมีสุขในปัจจุบันแล้วนรกสวรรค์ไม่มีก็แล้วไปก็ไม่ได้ว่าได้เนี่ยทีนี้ถ้าผลบุญผล บ, บาปมีนรกสวรรค์มีเราก็อยู่ดีมีสุขในปัจจุบันตายแล้วบังเกิดในสวรรค์ด้วยแล้วก็ไม่ใช่ชาติเดียวนะในกระบวนการของกรรมเนี่ยมันมีอุป ป, ปัชชะเวทนยกรรมอภราภ ร, ระเวทนากรรมด้วยมีการให้ผลในชาติต่อไปแล้วในชาติต่อต่อไปทีนี้ถ้าเราไม่เชื่อ ใจมันก็ไหลไปตามกระแสควากุศลระเบีนี้มันไปง่ายนะเราลองนึกดูว่านักศึกษาหมาเจรหลขายยาบ้าเป็นแสนแส น, แสนเม็ดหน้าท้อถอยขนาดไหนล่ะคนเรียนหนังสือขนาดนี้แต่ยังทามาหากินด้วยวิธีอย่างนี้แล้วมีฉลาดมีพริกแพลงนะคนมีความรู้ทากุณธรรมไม่โตตามสัดส่วนและอันตรายที่สุด อย่างที่ราชการที่ห้ารับสั่งไว้เน่ยมันโกงมากโกงพลิ้แพรงโกงแล้วก็จับไปได้ไล่ไม่ทันมันในคุณธรรมมันต้องเติบโตตามไปแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่ ง, งคือความรับผิดชอบในกฎของกรรมที่เราทําเองเราต้องรับผิดชอบเองให้ได้ทีนี้เมื่อใจมันไหลไปตามกระแสะกิเลสเราก็ทําพูดไปตามอารมณ์นะ่นเป็นหลัก อ้าวตีตามว่าผลบุญบนบาปไม่มีนโลกสวรรค์ไม่มีเราก็เดือดร้อนเพราะความชั่วในปัจจุบันแล้วทีนี้ถ้าผลบุญบนบาปมีนรลกสวรรค์มีเราก็ตกนรกิแล้วมันได้อะไรคือปัญหาว่าการไม่เชื่อบาปบุญคุณโทษเนี่ยมันได้อะไรเพราะวิถีชีวิตของมนุษย์มันต้องควบคุมด้วยกานมีรู้จักบาปบุญคุณโทษถ้าไม่สามารถแยกเรื่องบาปบุญคุณโทษได้อะไรเป็นเหตุก็อะไรอะไรเป็นผลของอะไรแล้วเนี่ย ก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวดังนั้นในตรงนั้นแหละพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงถึงเรื่องของความเห็นผิดสิบประการเขีนว่าการให้ทานไม่มีผลการบูชาไม่มีผลพฤติกรรมต่างๆไม่มีผลแม่ไม่มีพ่อไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีการทำทั้งดีทั้งชั่วนั้นไม่มีแล้วก็สัตว์ที่ตายแล้วเกิดไม่มีท่านที่รู้แจ้งโลกนี้แล้วสอนบุคคลอื่นรู้ตามไม่มี ก็ทรงแสดงว่าสิ่งทั้งสิบเนี่ยใจความนะฮะสิ่งทั้งสิบเนี่ยมีอยู่แท้ๆแต่คนที่เห็นว่าไม่มีก็เป็นมิจฉาทิฏฐิคิดว่าไม่มีก็เป็นมิจฉาสังกัปปะพูดว่าไม่มีก็เป็นมิจฉาวาจาไปสอนให้คนอื่นเห็นตามคลอยตามมาไม่มีก็เป็นการสอนผิดม่วาทถ้าเป็นปฏิปักษ์ต่อพระหันทั้งหลายในโลกจะประสบบาปกรรมต่างๆเป็นอันมาก นี่คือสัมมาทิฏฐิระดับโลกิยะนะแล้วในที่สุดก็ทรงแสดงว่าสิ่งทั้งสิบใจความนะว่าสิ่งทั้งสิบเนี่ยมีอยู่แท้ต้นใครที่เห็นว่ามีก็เป็นสัมมาทิฏฐิคิดว่ามีก็เป็นสัมมาสังกัปะพูดว่ามีก็เป็นสัมมาวจจไปบอกกล่าวชี้แนะคนอื่นเห็นตามคล้อยตามว่ามีก็เป็นวาทะที่คล้อยตามระหานทั้งหลายในโลกเจวประสบบุญเป็นนย่มา เพราเราเห็นว่าอรารยมรรคที่เราเริ่มในสัมมาทิฏฐิในสัมมาทิฏฐิเอาขนาดเนี้ยขนาดโลกิยะทั้งหลา ย, เ, ยเราจะมีกรรมมัศกาสมานทิฏฐิมีปัญญาเห็นชอบในกฎของกรรมถือว่าเป็นเรื่องใหญ่แล้วเห็นชอบตามอะไรตามที่พระเจ้าทรงแสดงเราไม่รู้หรอกกระบวนการของกรรมเรามองไม่ได้ตลอดเพราะอะไรเพราะว่า ในส่วนตัวเราเองเนี่ยเราก็ถนอมตัวเองจนไม่ยอมรับความคิดทั้งๆ ท, ท, ที่เราทําผิดและในกรณีของคนอื่นบางทีเราก็ใส่ร้ายเขาทั้งๆ ท, ที่เขาไม่ได้ผิดเนี่ยเราก็ไปใส่ร้ายเขาก็ทําให้เขาผิดแต่ถ้าเราจับหลักว่าเออคเนี้พระเจ้าทรงแสดงว่าอย่างเนี้ยทรงทรงทรงเทศว่าอย่างนั้นอย่างนั้นที่นั้นที่นั้นถ้าเราจับหลักได้อย่างนี้แล้วเนี่ยจะไปได้ คือเวลานี้มีการเผยแพร่ธรรมะกันมากอย่างเช่นรายการที่พลหนึ่งอย่างเงี้ยเราจะเห็นว่าเป็นรายการธรรมะเยอะแต่มาเองก็ไม่ค่อยมีโอกาสได้ฟังเท่าไหร่นะเราก็ทํางานที่เยอะเลยเวลาที่เขาออกอากาศเนี่ยเราก็ไม่มีเวลาไปดังฟังแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าโ น, นาแต่ประเด็นที่ควรจะมองก็คือว่าที่พูดอยิยุติด้วยหลักในพระไตรปิฎกหรือเปล่า เพราะการนํามาเผยแพร่เนี่ยยังมองว่ามันถึงคราวแล้วประเทศไทยเนี่ยจะต้องถึงคราวที่เราต้องทําหลักสูตรพระพุทธศาสนาโดยโค้ดมาจากบาลีพุทธวจนะที่เป็นตัวนิยามนะเป็นตัวนิยามไม่ใช่ผลละความตัวนิยามเช่นสติในสรงนิยามว่าอย่างไงสัมปชัญญะในสรงนิยามว่าอย่างไงแสดงลักษณะแล ะ, สะแสดงลักษณะไอ้ลักษณะไอ้หน้าที่ แสดงสิ่งที่เราสัมผัสแสดงตัวกระตุ้นให้เกิดของสิ่งเหล่านั้นให้ชัดเจนแล้วก็เผยแพร่ให้รู้เหมือนกันมาพูดถึงเมตตานี่เข้าใจตรงกันพูดถึงซึ่งพูดถึงปัญญานี่เข้าใจตรงกันพูดเรื่องสังสารวัฏเนี่เข้าใจตรงกันแล้วก็นานๆที่จะเจอ มีคนย้อนวันกอดเนี่ยก็เจอคนย้อนเป็นคนของพุทธสมาคมในจังหวัดแห่งหนึ่งคือมาก็อธิบายให้ฟังถึงปัญหาเวลาเนี้ยบอกปัญหาใหญ่เนี่ยคือถ้าเราไปเสร็จเรื่องกรรมกับเรื่องสังสารวัฏแล้วเนี่ยพระพุทธศาสนานี่ไปไม่รอดเพราะว่าธรรมะทั้งแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันเนี่ยเป็นโลกุตระอยู่เพียง เก้าข้อแต่นั่นเองมรสีผลสีนิพพานหนึ่งเท่านั้น น, นนั่นเป็นโลกิยธรรมเป็นวัตถกามีกุศลเป็นเรื่องของการตกแต่งพบชาติของตนให้ประนีตมากยิ่งขึ้นตกแต่งกายตกแต่งวาจาตกแต่งจิตใจของคนให้ประนีตขึ้นเป็นรูปของบันไดต่อขึ้นไปในเป็นรูปของทีเรียกวิชาบทที่ก็บทก็คือก้าคือขั้นของการศึกษาปรับพัฒนาจิตสํานึกของมนุษย์ขึ้นไปเรื่อยๆ ตามโครงสร้างของอริยมรรคนั้นแหล ะ, ละเราเห็นว่าเวลาเรียงแบบใจสิกขาแบบบันไดเนี่ยเขาเรียงว่าศีลสมาธิปัญญาคือไต่ขึ้นไปเรื่อยๆเป็นพัฒนาการทางจิตแล้วก็เพิ่มพูนปริมาณของปัญญาให้สูงขึ้นดังนั้นถ้าหากว่าเราจับที่สมาธิธิคือกรรมสกตาสมาธิธได้โดยไปยึดโยงกับ อยตัประปาตญาณรูปกรรมมวิปากญาณของพระธเจ้านะครับพระเจ้าทรงจําแนกกรรมได้เนี่ยแยกตัวคนแต่ละส่วนของคนเนี่ยสามารถจะเอามาอธิบายทั้งตัวได้เลยว่าตรงนี้เกิดขึ้นมาจากอะไรตรงนี้เกิดขึ้นมาจากอะไรตรงนี้เกิดขึ้นมาจากอะไรนะเป็นกรรมมัชรูปคือรูปที่สําเร็จโดยกรรมเลยสามารถจะหยิบฉวยมาได้นะฮะเช่นว่า พนางนางวิสาขาเนี่ยทำไมเป็นเบญจากาัลยาณนนีทําไมผมงามทําไมผิวงามทําไมอะไรเนี่ยก็จะบอกไนดะ้สิ่งนั้นสร้างสิ่งนั้นสิ่งนั้นเกิดขึ้นจากสิ่งนั้นถึงนั้นแม้แต่หมาบริษัลักษณะของพระองค์เองแล้วก็มีที่มาของมันเป็นเหตุพิเศษนะผลเลยก็ออกมาเป็นพิเศษที่ไม่สาธารณะทั่วไปแก่บุคคลนางหลายทำไมพระพุทธเจ้าจาึงมีพระสุรเสียงมือก็เสียงพรผม พรมาสโรคือมีพระสุรเสียงดุจพรมมันก็มีที่มากนั่นก็คือกระบวนการของกรรมดังนั้นในการที่พระพุทธเจ้าทรงสัสรูอนุตตรสมมาสมพธิยาณโดยการเจริญมรรคเนี่ยในระดับสินธรรมจัญญาเนี่ยเราแตะที่สัมมาทิฏฐิไปนิดเดียวแต่นั่นเองเนีมันจะมีจุดนิดเนี่ยวแหละ เพราะว่าจะมีความปัญญาเห็นชอบในโกฎของกรรมแต่กรรมวสังสารวัตรเนี่ยก็ยึดโยงกันนะฮะ ก, ก็เขาคือจะพูดหรือไม่พูดที่จริงก็ต้องถึงเนะี่ยเพราะในความเป็นกรรมเนี่ยเวลาพูดถึงการให้ผลก็ให้ผลในชาติปัจจุบันให้ผลในชาติต่อไปแล้วก็พบชาติต่อตไปวันชาติต่อไปกับชาติต่อ ต, อ ต, อตอไปเนี่ยมันก็กลายเป็นสังสารวัตรทีนี้กรรมอดีตกรรมอดีตมันก็แสดงสังสารวัตรคือชาติอดีต เห็นไหมกรรมกรรมอนาคตไอ้กรรมกรรมปัจจุบันก็แสดงถึงชาติปัจจุบันแต่หมายความมาเป็นอดีตสหรับชาติต่ตอไปก็มันก็พูดเรื่องสังสารวัตรกันอยู่ในตั ว, ล ว, วเลยเห็นย้ตัวอย่างว่ากรรมมังสเตวิพัชติยาเดียงหินาปนิตาญากรรมเป็นตัวจําแนกแบ่งแยกให้คนเลวและประนีแตกต่างกาันเห็นไหมฮะมันก็แสดงถึงอิทธิพลของอดีตที่ทําให้คนต่างกัน จะเกินแต่สกุลต่างกันที่เกิดต่างกันรูปร่างต่างกันสุขภาพภราณามัยต่างกันยุคสมัยต่างกันแนวโน้มเอียงความถนดัดความสนใจนะทางกันหมดเลยนั่นก็คืออะไรคือกระบวนการของกรรมกับเบิร์กการกระสังสารวัตรมันติดกันเพราะแนวสมาธิทิก็จึงไม่พูดเรื่องไม่พูดเรื่องสังสารวัตรสมาธิิไม่ต้องพูดนะฮะพกรรมกับสังสารวัตรนี่มันแยกกันไม่ออกจะต้องอยู่ด้วยกัน แลกรมพอเสร็จแล้วพอยกยอดไปให้ผลในชาติต่อไปหรือว่าบาลีที่สงแสดงง่างๆเช่นว่าบุญเป็นที่ปุญญานิปโลกัสมิงปฏิทาหุ่นติปานีนังเราคุ้นๆนะฮะบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ตั้งหลายผู้บำเพ็ญบุญทั้งในโลกนี้และในโลกอื่นก็ใช้โลกอื่นนะฮะเพราะว่ามันหลายโลกก็มีคนก็มาตั้งข้อสังเกต พอเวลเนีย่ยฝรั่งเขาก็บอกว่าไม่มีสวรรค์อะไรเธอเชื่อฝรั่งก็รังเป็นเทวดามาจากไหนก็นแปลกจริงๆคนไทยเนี่ยทำไมไม่เคารพภาษาสดาของตัวเองเราอยู่กับพระพุทธเจ้าเนี่ยน่าจะได้ประโยชน์จากพระพุทธเจ้าอนเนกอันดับ เ, เนนะเราอย่าลืมว่าวิสัยทัศน์มันมองไกลลิบลิบเนี่ยแม้ในปัจจุบันก็ถึงในมัมี์พระพุทธศาสนาเนี่ยมองได้ไกลามากกว่าเยอะได้ ในรายการรู้ธรรมนำชีวิตมีคนก็มาพูดมากนะคือว่ามาไปออกกันนักวิชาการที่เป็นวิทยากรอบรมพวกเดอบอสนะฮะพวกนักบริหารมาแล้เราออกมาแล้วก็เสนอแล้วก็กถามาศาสนามาก็อธิบายาศาสนาไปแต่ก็ต้องพูดมาก่อนนะเพราะเราไม่รู้ว่าไอ้อย่างเงี้ยวิชาการปัจจุบันเขาเรียกอะไร เราอธิบายฝั่งแต่ละข้อเนี่ยมันแสดงไงเห็นว่าพระพุทธเจ้าแสดงไว้เหนือกว่าในแต่ละจุดอาจารย์เองก็ง ง, งเลยว่าแกไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าแสดงว่าลึกซึ้งอย่างนี้ว่าที่จริงมันลึกซึ้งมากกว่านั้นเพียงแต่ว่าเราอยู่ในฐานะที่เป็นปู่สงฆ์เภาท์เป็นเรื่องทีน่น่าเสียดายและตัวการใหญ่จริงๆเนี่ยพื้นฐานความเชื่อกฎของกรรมเราไม่เข้าใจกฎของกรร ม, เ ร, ม, เ, รรมเราไม่เข้าใจกฎของสังสารวัฏ แล้วก็เกิดความสับสนแยกไม่ออกระหว่างความรู้เรื่องพรามกับความรู้เรื่องพุทธว่า ม, มันปนกันอยู่ตรงไหนแยกแยกได้ยังไงเวรานี้ที่น่ายินดีอย่างหนึ่งก็มีอาจารย์จากนิดาคนหนึ่งเขาพยายามรุนแรงมากก็นิบมนามาไปบรรยายเรื่องกฎแห่งกรรมในพุทธศาสนาก็หลายครั้งแล้วนะวันวั น, ว, น, ว, นวันที่ตะไรในเดือนกันยานยจะไปที่การประพาสุนภูมิภาคก็ ก็พยายามเน้นย้ำเรื่องเหล่านี้ถ้าคนจับประเด็นเรื่องกฎกองกรรมได้นะแล้วก็จะรับผิดชอบมากยิ่งขึ้นเพราะว่าสิ่งที่เราทําในขณะนี้มันไม่ได้มีผลเฉพาะขณะนี้เท่านั้นเองแต่จะติดตามเราไปดุดเงาที่ติดตามตกลงไปฉะ่นนั้นนี่ก็โยงมาจากสมาธิิแบบกรรมสกตาสมาธิธรรมดาให้เห็นว่า เป็การจุดประกายให้ความสว่างสวยให้เหตุผลที่ถูกต้องดีงามเกิดโลกได้อนเอกนกนั้นทีเดียวทุกฟังกันหลายแต่โรวงพ่อโพธิญาณในวันนี้ขอยุดติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญงองามไปบูรณาธรรมยมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี